ตอนที่สิบวรรคที่หกอัศจรรย์วันอุปสมบทในเวลาที่พระพุทธองค์ได้เป็นอุปสัมบันที่ภายใต้ไม้สีมหาโพด้วยอำนาจพระบา ร, รมีนั้นอัศจรรย์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นในโลกคือคนตาบอดแต่กำเนิดก็กลับเป็นคนตาดีหนึ่งคนหูหนวกก็ได้ยินเสียงหนึ่ง คนง่อยเปรี้ยก็เดินได้หนึ่งคนใบ้ก็พูดได้หนึ่งคนหลังค่อมก็ยืดตรงเป็นปกติได้หนึ่งคนกำลังหิวข้าวก็ได้กินข้าวหนึ่งคนกระหายน้ำก็ได้ดื่มน้ำหนึ่งผู้ที่อาฆาตต่อกันก็นึกเมตากันหนึ่ง ทุกในแดนเปรตก็หายไปหนึ่งยาพิษก็กลับเป็นเหมือนยาทิพย์หนึ่งหญิงมีครันแก่ก็คลอดได้สบายหนึ่งสำเพาที่ไปต่างประเทศก็กลับมาถึงท่าของตนหนึ่งกลิ่นเหม็นก็กลายเป็นกลิ่นหอมหนึ่งไฟในอเวจีมหานรกก็ดับหนึ่ง น้ำเค็มในมหาสมุทรก็กลายเป็นน้ำหวานหนึ่งภูเขาทั้งหลายก็เป่งเสียงสะท้านหนึ่งน้ำในมหานาทีทั้งหลายก็หยุดไหลหนึ่งผงจันทิปดอกมนทาทิพก็ตกลงมาจากสวรรค์หนึ่งเทพยดานางฟ้าทั้งหลายก็โปรยดอกไม้ทิปลงมาหนึ่ง พรมทั้งหลายก็ตบมือสาธุกการหนึ่งขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าผู้มีสีพระกายดั่งทองคำก็ได้อุปสมบทเองที่ภายใต้ไม้สีมหาโพอันเป็นเหมือนปราสาทแก้วจึงได้มีสิ่งอัศจรรย์ปรากฏขึ้นอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งการอุปสมบทของพระพุทธเจ้านั้น ได้บันดาลให้พระยาเขาสิเนรุราชหมุนครวนคลางเหมือนกับกงรถกงเกวียนฉะนั้นพวกเทวดาในอากาศพร้อมกับบริวารก็มีใจเบิกบานยินดีได้โปรยดอกไม้ทิพย์ลงมาบูชาจันทระเท พ, พบุตรก็หยุดมนทนรถไว้ที่อากาศโปรยดอกไม้แก้วลงมาบูชาไม่ขาดสาย เหมือนกับนมสดที่ไหลหลั่งลงมาจากอากาศฉะนั้นการอุปสมบทของพระตถาคตเจ้าย่อมปรากฏอย่างนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาด้วย